กูธาสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันศศินาคพงษ์นะคะอยากจะให้ท่าน มั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นในถ้าท่านอย่างไม่เคยเชื่อมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงอ่ารู้ แต่ๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่แล้วก็ถามว่าท่านๆไปวันๆเนี่ยทุก ประชุมไปเดินทางแหลงต่างโจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยมันยังๆถูกมั้ยๆยังไงก็ต้องไปแหละเพราะมัน ทำไม่ๆมันยังไงก็ก็ต้องทําไม่ได้ไม่ว่าเรา<ใช> เพราะฉันจะต้องตายแล้วซึ่งพระเจ้าเคยเคยเปรียบคือใกล้ความตายละ 10 ปีเป็นต้นนะประเภทที่เอ่อวัย พอเวลาตกเย็นแล้วเนี่ยเงาอยู่นอนแต่ไอ้สิ่งที่เราทําดีมานั้นนะจะมา แล้วเราอันนี้เป็นไปได้จะคิดถึงเรื่อง 100% แต่เป็นไปได้ดีๆมาตั้งแต่เรื่องดีๆเรื่องเป็นเป็นกุศลธรรมนะพอถึงช่วงท้ายๆก็เสมือนเงาของผู้ ดาลูกดาหลานที่บนอยู่แต่ 2 คนนี้น่าแตกต่างกันถ้าเกิดยิ่งถ้า ตรงที่เราไม่ได้ต้องฝึกอะไรมากเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงคือเราไม่ได้ต้องเกิน 50% ให้มันดีอยู่ เรเราก็ค่อยๆทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะพอค่ะค่ะก็เท่า ก็ถือซึ่งบางคนก็บอกว่าทําทําเดี๋ยวนี้ทําปัจจุบันใช่ค่ะซึ่งบางเนี่ยเอ่อเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ นะผู้ชาให้เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันใช่ตัวตนนะเป็นอนัตตานะเราเห็นปัจจุบัน ไม่งอนงแน่นไม่คอนแกรนในธรรมปัจจุบันค่ะคือไม่ได้ให้อยู่กับปัจจุบันนะให้อยู่ในกาย เอออันนี้ถูกต้องนะเราหยุดตรงนั้นเนี่ยในคําสอนของพระศาสดาไม่ ให้เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่ง่อนเงิ่นไม่คลอนแคลนเห็นอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ๆในอดีตไม่ นะแต่เรายึดถือโดยความที่มันต้องเป็นอย่างนี้เป็นวางแผนอนาคตด้วยความที่อย่างที่คุณโยมติ๋วว่าเห็นไตรลักษณ์ เออมันก็อ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วนะท่องได้จำได้ด้วยหนังสือเค้าเขียน ลำเอียงในที่นี้หมายความว่าถ้าอันไหนเราชอบแม้เราก็จะเข้าไปยึดถือใช่มั้ยเอ่อเมาหมกพัวพันลุ่มหลงในสิ่งนั้นอันนี้คือคุณหลงด้วยความเอ่อ<ใช> เพราะนั่นถ้าจิตเรายังไม่ได้มีความที่ไม่ลำเอียงได้เราๆได้เลยนะเราเราจะเราจะไม่สามารถที่จะเห็นมันจริงได้เพราะเราลำเอียงอยู่อ่ะใช่ มั้ยมันถูกต้องถึงแม้จะเห็นแบบมันไม่เที่ยงนะมันถูกต้องแต่ค่ะอืมอคติคือลําเอียงเพราะรักพยคติ ค่ะเอ่อมี 4 อย่างนี้ 4 อย่างนี้อยู่ในใจนะไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องเป๋เป๋ไปตามไม่ทางใดทางหนึ่งคุณเออ อะไรมาเราก็ไม่เอามาเราก็ไม่เอาอ่าไม่เอาเลยปฏิเสธค่ะปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางเรื่องๆอืมหรือถ้าคนนี้เราชอบอ่ะไม่ว่าเขาจะอืมแล้วอ่าอันนี้ก็ เราถามว่าถามว่าเอ๊ะเราแล้วเรากลับมารักษาความเป็นปกตินี้ได้อย่างไรค่ะเอ่อ ตรงนี้คือจิตมีสมาธิละถ้าจิตค่ะค่ะคุณๆได้ว่าเป็นยังไงค่ะคําถามสุดท้ายนะคะว่าเอ้อเราก็พยายามศึกษาคําสอนของพระ อํานาจมันเสียหายมากมั้ยคะท่านคะคําตอบตัวนี้ก็คือความชํานาญนั่นเองคือไม่ใช่ว่าเราทํามือปืนทําไมชักปืนออกมายิงช้าเหลือเกิน น่ะบอกว่าทําให้เจริญทําให้เจริญคือทําให้ชํานาญนั่นเองนะ เนี่ยถ้าทําผิดๆแล้วก็ฝึกทําไอ้ที่คือหมายความ กับจิตของท่านจิตของท่านซึ่งยังคล้ายๆกับที่ดิฉันอ่ะยังไงค่ะ คือดิฉันพาท่านออกนอกพุทธวจนะไปเยอะมั้ยคะเนี่ยใช้ อะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบเนี่ยยิ่งถ้าจี๊บง่ายๆเนี่ยเราเนี่ยค่ะมันเสียหายนะคะเสียสูญเสียสูญไม่เสียสูญมากน้อยเนี่ยมันก็สุดแท้แต่ว่าจะ ทำหน้าๆมาบันทึกรายการให้กับ 106 พรุ่งนี้